ยูรีด اني อิยุขริจาคุมมิ่นอาดิคุ م นอารดิคุมด้ م ยสิพริหิมาแล ا จะไปด ف ัจม้าอูค่าิดะคุมฟ้าจม้าอูซุ ق มะตูซัฟและว่าดั้อฟ อาลูยามูซาอิมมาอันตุลกิยาว่อิมมาว่อิมมาอันตกูนนะห์นุลมุลกิน قال بلألقو فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس <ت ص> في نفسه خيفة موسى و أ ل ق ما في يمينك อ ن ลนาลาตะขฟ ت ินน و َ ا ันตะเละและวอล م ีมาฟียามิน ق กตะลควฟม อินนามะ ثنعون كيد ساحر ولا يفلح ا ل ساحر حيث أ ت ى بسم الله الرحمن الرحيم อินนัลฮะมดุล illah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلله وما يضلل فلا هادي له وأشهد إ, أ لا إله إلا الله و د ه ش ي ك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بيك أ ح ن ا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ ن َ ح ي ا وَبِكَ ن َ م و ت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و و ع د ِ ك م س ت ط ع ت ُ أبو ُ ل َ ك, إ إ ل ك, ك, ك ب ن ع ْ م َ ت ك ع ل ي ّ و أبو ُ ب ِ ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق น ع و ذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ب, ب الل س م الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم رضيت بالله رب و بالإسلام دينا و بمحمد الرسول Allahumma inni a'uzubika m i a l a s l وسوء الكبر ربي أ َ ع ْ ز ُ و ب ك م ن ع ذ ا ب ف ي ا ل ن ا ر و ع ذ ا ب ف ي ا ل ق ب ْ ر ِ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ดูอาที่อ่านมืตอนตอนต้นเนี่ยมีความหมายดังนี้ออ Allah ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เราอยู่ในช่วงเช้าว่าบีกะอัมไซนะหรือว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในตอนเย็นก็อยู่เพื่ออัลลอฮ์และไม่ช้าเราก็จะกลับฟื้นตายแล้วก็ฟื้นไปหาอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งเป็นการเตือนเตือนสติเตือนความรู้สึกให้เรานั่นอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลา อาบูดุบิคัลิ مات อลลอฮิตามาติมินชัลริมา خلق บิสมิลลาฮิลลาลิลายาดุรมาอัลมิฮิชาอุมฟิลอาร์ิวาลาฟิสัมักวะฮุสัมิยุลอาลิมนี่เป็น دعاء ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายต่างๆที่มาประสบกับเรารวไปถึงสัตว์ร้ายที่จะมาทำร้ายมากัดเรา อัลลอฮ์ของาอินเนาะอูบิกามินัลกสลฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากความขี้เกียจขี้เกียจนี่ไม่ดีถ้าดีอัลลอ์ไม่สั่งให้นบีขอหรอกนะให้ห่างไกลจากความขี้เกียจวาซูอิลกิบริห่างไกลจากความชราที่แก่แล้วเป็นโรคอัลไซเมอร์หลงหลมลืมลืมไม่ดีขอขอดักไว้ก่อน ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษที่ไฟนรกนั่นแหละเป็นเป้าหมายสูงสุดของ ค, คนชั่ววาวดูบิกะขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์จากการลงโทษที่สุสานสังเกตทําไมอัลลอฮ์ให้นบีขอเรื่องห่างไกลจากการลงโทษที่ที่สุสาก่อนแล้วก็มาต่อมาที่กูโบโ ท, ที่หลังที่สุสานนี่มันเบาแต่ขนาดเบาๆนั่นแล้วก็ะดูหกหัก โค้งเนี่ยแตกนั่นเบาแล้วนะแ่นั้นขอเรื่องหนักหน ก, ก่อแล้วก็มาเบาทีหลังขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาละที่อัลลอฮ์ให้เราตื่นมาหลังจากที่เราได้นอนหลับไปเมื่อคืนนี้มาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนบีสัง่งนะเช้าเช้าเนี่ยอย่านอนอย่านอนอย่านับต้องพยายาม ทำให้ร่างกายตัวเองเนี่ยกระฉับกระเฉงให้ได้เพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะจัดสารเครื่องอย่างชีพตั้งแต่นมาสุบโบเสร็จจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นนี่ไงอิสลามสอนดีไหมดีนอนได้สำหรับคนแก่แกหรือคนป่วยป่วยแต่ผู้เทิ่มได้ป่วยเนี่ยแข็งแรงแต่ลาภพอใช้ตอนอเอาขอดูอาตัวอัลลอฮ์นะ ให้เราเนี่ยเป็นคนที่กระฉับกระเฉงเอา้าวน บ, บีสอนอย่างนี้เองมันบั๊บกว่าใครที่เชยชาใครที่ไม่กระฉับกระเฉงใครที่ขี้เกียจเนี่ยนะลำยุสเรียบิฮีนาซาบูฮูตะกูลของเขาช่วยเขาให้ว่องไวไม่ได้อธิบายยังไงอธิบายอย่างงี้เนี่ยอยู่ในตระกูลดังอยู่ในตระกูลฝากงานที่ไหนก็ได้ จรยนหนังสือที่ไหนก็าจะฝากได้หมดเส้นใหญ่แต่ขณะเดียวกันตัวเองไม่พัฒนาสังคมอะไรนะตระกูลวงตระกูลช่วยไม่ได้จะช่วยฝากงานก็บฝากไม่ได้ไม่เป็น น, ยนนะัยยะนขี้เกียจหลังยาวอยูุ่ย่อยาอย่างนี้ถามว่าตระกูลช่วยได้ไหมไม่ได้นี่ไงน บ, บีสอนขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลานะครับวันนี้เรามาอ่านมาทบทวนกลอนอัุรอานสุรัส ต่อหซูร้ยที่20สบนะครับคือนี้เราเนี่กำลังเรียนกำลังประเรียนประวัติของนบีมูซาแล้วก็ศัตรูของนบีมูซาก็คือฟิรานูนสรุปสั้นๆนะเอาอย่างนี้ฟาโร่เนี่ยมีลูกน้องดูแลฟาโร่ตะคูลเดียวหรือฟาโร่ครอบครัวเดียวเนี่ยชายคนดูแลเท่าไหร่นะ สาม0มืนหกพันคนนี่ตับซึกอธิบายนะประมาณสาม0 0ืหกพันคนดูแลคนครอบครัวเดียวแล้วคนสาม0มืหกพันคนนี่นะมองฟาโรเป็นคนยังไงนี่สรุปจากคุณอ่านที่ผ่านมานะข้มีอยู่ห้าประเด็นประเด็นที่หนึ่งเขามองฟาโรเนี่ยเป็นอิลาอิลาแปลว่านะพระเจ้าอ่า ขอมองฟาโร่เนี่ยเป็นอิล่าเลยนะข้อที่สองมองฟาโร่นั่นเป็นผู้สร้างเขามาถูกหรือผิดมองข้อที่สามมองฟาโรเป็นผู้ให้เครื่องยังชีพมองเทาวัล้อเลยอะ่ะนะอันที่สี่มองฟาโรเนี่ยเป็นผู้ที่ให้เขามีชีวิตขึ้นมา อันที่ห้ามองฟาโรเนี่ยเป็นผู้ทำให้เขาตายได้ด้วยมีอยู่หรายการนะครับนี่ขมองฟาโรอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นนบีอัลลอฮ์สั่งแต่งตั้งนบีมูซามานะเพื่อที่จะมาสอนเรื่องสามเรื่องใหญ่ๆ ห, หนึ่งสอนว่าให้มีอีมานต่ออัลลอฮ์บอก มูซาให้ไปสอนฟาโรห์และพรรคพวกสาม0ื่นหกพันคนนะ่ะที่อยู่ในพระราชวางังอยู่ริมริมวังเนี่ยนะและนอกนั้นยังมีประชาชนทั่วไปอีกนะ่ะมาสอนเรื่องอีมานสองมาสอนเรื่องเชื่อในโลกอาซิรอตายแล้วต้องฟื้นอย่าลืมว่าคนตั้งสมัยก่อนมาแล้วเนี่ยเหมือนพวกเราวันนี้แหละไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นไม่เชื่อและไม่เชื่อว่ า, อาลอรมีองค์เดียวด้วย ถ้าพระเจ้าต้องมีหลายๆองค์จะได้ช่วยกันประคองโลกใบนี้ให้อยู่เขามองว่าพระเจ้าต้องมีเยอะอย่างในฮินดูเนี่ยมีประมาณสามหมื่นององดูแลฝนองค์ดูแลดวงอาทิตย์องค์ดูแลดวงตะวันองค์ดูแลนูน่นดูแลนี่สามหมืนกว่าอง์แต่อิสลามมาสอนผ่านนาบีบอกว่ า, วาพระเจ้ามีองค์เดียวนะและอีมานต่ออลัลลอฮ์องเดียว และเรื่องที่สามเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องนามาศให้ครบตั้งแต่สมัยนู้นมาแล้วนะี่นะเรื่องนามาศนามาศนามาศนี่เรื่องใหญ่มากเลยตัวลงว่าอัลลอฮ์ทรงนบีมูซามาสอนศาสนาเน้นสามเรื่องหนึ่งอัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์ข้อที่สองเชื่อวันสิ้นโลกอันที่สามเรื่องอิบาดาห์เรื่องการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ سبحانه และุต่าละ อธิ น, นี้ใครที่ไม่มีความเชื่อหรือว่าไม่เชื่อแบบที่นบีนำนำเอามาสอนเนี่ยเขาจะพบกับความมืดเขาหลงทางตลอดเวลาน่ะเขาเดินได้แต่เขาเดินเหมือนศพเดินได้อัลลอฮ์ไม่เมตตาคนเหล่านี้หรอกนะข้อที่สองนี่นะอัลลอฮ์ะจะละนัจะสาบแช่งคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วไม่รู้จักวันอาคีร์ ไม่รู้จักการปกป้องตนออกจากตัวจากชัยตอนนี่นะโดยการทำมีบาดานี่นะจะถูกละนัดจากอัลลอฮ์ตลอดเวลาแต่ผลของมันจะถูกแสดงออกหลังจากตายไปแล้วบนดุญยานี่อัลลอฮ์ให้เขาอยู่ไปไม่มีปัญหาแต่ว่าความชั่วที่เขาจะได้รับก็คือชีวิตหลังตายอีกข้อหนึ่งฟาโร่เนี่ยเลวอะไรนะครับสรุป พรอ่านที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะฟาโร่เลวอะไรนะครับแล้วก็ประชาชนมองฟาโร่เมื่อกี้นี่ห้าอะไรกันแต่ที่ตัวฟาโร่เองเนี่ยทำอะไรผิดถึงเอาล้อได้เป็นห่วงส่งโมซามามาสอนฟาโร่เลวห้าข้อข้อที่หนึ่งฆ่าคนดีๆคนดีๆเนี่ยถูกฆ่าหมดอ่ะฉะนั้นทุกยุคทุกสมัยใครที่เอาอักษรากของฟาโร่มาใช้นะ คือฆ่าคนดีคนดีคนดีคนดีอย่างนี้มุสลิมเราถูกฆ่าในโลกนี้เต็มไปหมดน่ะนี่เป็นความคิดเหมือนความคิดของฟาโร่ข้อที่2คฆ่าเด็กผู้ชายแต่สมัยนี้น่ะฆ่าทั้งผู้ชายและฆ่าทั้งผู้หญิงการบุกรุการคุ้มกำเนิดทำศีนากเต็มไปหมดแล้วก็ฆ่าเด็กฆ่าเด็กฆ่าเด็กฆ่าเด็กเด็กที่อยู่ในคันมันดาฆ่าหมดน่ะ ไม่ฆ่ายังไงอ่ะเมื่อออกว่าไม่มีพออ่อใช่ไหมเนี่ยสมัยก่อนนี่ก็ฆ่าเด็กฟาโรสั่งฆ่าเด็กสมัยนี้ฆ่าทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายฆ่าโดยความสมัครใจด้วยฆ่าโดยผ่านหมอด้วยเต็ไมไปหมดเลยนี่ฟาโร่เลวสองข้อนะข้อที่สามเลวอะไรบ้างเป็นเรองกระจายความเสียหายหรือความชั่วบนหน้าแผ่นดินแบบคนในปัจจุบันนี่เลยอ่ะ อา้าวมีของฮารามเต็มไปหมดเนี่ยในบ้านเมืองเราเนี่ยในทุกประเทศมีของฮารามเต็มไปหมดม่ดูสิปีสามปีสี 3, 4, ยังไม่นอนกันเลยเดินแก่ผ้ากันบางอะไรกันบ้างนี่ไงฟาซาดเราศก็มีของชั่วๆยาเสพติดเต็มไปหมดมีเพลงคาราโอเกะเต้นกันอะไรกันเด็กๆ เ, เสียหมดนี่ไะสร้างความเสื่อมเสียกระจายความเสียหายไปทั่วแผ่นดินนะครับนี่สามข้อแล้วนะข้อที่ี ดัมมารลัลเบลาทำลายประเทศอิสลามเนี่ยมาต้องเรียนเรื่องพลเมืองดีหรอกเพราะกุรานสอนให้เป็นคนดีอยู่แล้วตัวกุรานเองคนที่อ่านกุรานเนี่ยสอนคนให้นอบน้อมให้ทอมตน้นนะครับข้อที่ห้าก็คือเหยียบย่ำนะครับเอาของดีๆมาเหยียบอยู่ใต้ท่าของฟาโรเลยครับ ทำลายมัสยิดอย่งอนนางประเทศอันนั้นประเทศอิหร่านนี่เราไม่มีใครรู้นะเราไม่รู้เลยว่าอิหร่านเนี่ยพวกชิอ า, านี่ทำลายซุนนียังไงทำลายมัสยิดด้วยแต่ข่าวนี้ป ก, ป, ก, ป, ก, ป, ก, ป, กปิดหมดโซราซุนนีเนี่ยนะของซุนนะเนี่ยนะถ้าพังไม่มีสิทธิ์ซ่อมห้ามซ่อมห้ามทาสีห้ามไปทั้งนี้แหละพังก็ไฟพังไปพังไปพังไปพังไ ป, งไปนั่นอาจทำลาย ทำลายของดีๆที่อัลลอพึงพอใจซึ่งเราไม่รู้พอไปนั่งคุยกับพี่น้องเราที่มาจากอิหร่านเพิ่งรู้อัลลอฮฺอักุบัฮถูกทำลายถูกฆ่ามุสลิมถูกฆ่าตุววันมุสลิมซุนนีถูกฆ่าเหมือนกับฟาโรห์สั่งการจัดฆ่ากับคนทั้งหมดทั่วประเทศอียิปต์นั่นแหละนะครับเอาทีนี้วันนี้มาดูอายะทอะไรนะ62 ฟะตนาซาง أمرهم بينهم وأسر نجوى ฟาตนาซาง أمرهم بينهم و أ هم بين هم س น ن จวาเมือ่อคือก่อนหน้าที่มาบิดดูคำแปลก่อนฟะตนาซาแปลว่าเขาได้โต้แย้งกัน ขัดแย้งกันเองที่ประชุมเนี่ยมามาประชุมกันแล้วขัดแย้งกันมาที่ไมดานแล้วนี่นะมากันแล้วมาที่ประชุมกันเสร็จแล้วกิจการพวกเขาได้โต้แย้งกันเองในกิจการของพวกเขาวาซารุนนะจ๊วะ และถือการประชุมเป็นความลับคือพูดกันค่อยๆสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะเป็นอย่างนี้เมื่อนบีมูซานี่นะมาถึงที่ไมาดานแล้วที่สนามใหญ่นะวันขัดระิดวันอะไรนะวันงานวันยิ่งใหญ่เพราะอียิปต์เนี่ยมีวันสําคัญปีหนึ่งมีอยู่สองวันนะครับปีหนึ่งมีอยู่สองวันสองครั้งนบีมูซาก็กําหนดโดยฟาโรหว่าให้เอาวันยิ่งใหญ่นั่นแหละ เอาวันจัดงานยิ่งใหญ่แล้วเป็นวัน อ, อะไรนะเอางูเอาอะไรเนี่ยเอาไม้เนี่ยเอาไม้ถือเอาเชือกเนี่ยมาเป็นงูกันเอามาประลองกันในวันนั้นพอคนมากันเนยอะน บ, บีมูซาก็พูดนะพูดอายาที่แล้วนะอายาทีสามสิเอ็ดพูดว่าไงนะไว้และวกุม้มพูดอยู่สี่เรื่องนะเรื่องที่หนึ่งไว้ละกุม ความวิบัติจะเกิดขึ้นกับพวกท่านแน่นอนนี่ภาษานี้ออกออกมาได้ยังไงนะ่ะออกมาจากปากนาบีไม่ใชะธรรมดานะแสดงว่าเป็นวาีทั้งหมดไวละกุมนี่ฟานมูซาพูดนะพวกคุณจะพบกับความวิบัติเรื่องที่สองลาตัฟตารูะลลอฮิกะิบาพวกท่านอย่าได้กุหรืออย่าได้ บ้านแต่งเรื่องโกหกต่ออัลลอฮ์ต่อประชาชนคุณอย่าหลอกคนลาทัฟตารุอัลาลอฮ์นี่โมซาพู ด, พ, ดพูดถึงมายากลพูดถึงฟาโร่ด้วยเนี่ยอย่ากโกหกประชาชนอย่าหลอกประชาชนอย่าทําเรื่องเท็จให้เป็นเรื่องจริงอย่าอําพรางประชาชนอยา่านี่นบีโมซาพูดข้อที่สาม ไฟยุสไฮตาุมบีฮาเดมิชนั้นพระองค์จะทรงทำลายพวกท่านด้วยการลงโทษอย่างหนึ่งอะไรไม่ได้บอกถ้าคุณเล่นกันแบบนี้อัลลอฮจะต้องทำลายคุณแน่นอนเรื่องที่สามเรื่องที่สี <c oughs> เรื่องที่สีว่าไงนะฟาโกดคอบมาเนฟตรอ คนที่ตกแต่งปั้นแต่งเรื่องโกหกนั้นประสบกับความผิดหวังอย่างแน่นอนพอพูดจบสี่เรื่องนี้ประชาชนที่นั่งได้ยินอยู่พวกกระมายากรทั้งหมดเนี่ยขัดกันเองแล้วมีความคิดออกเป็นสองกลุ่มเลยกลุ่มหนึ่งพูดบอกว่าให้ภาษานี่มันไ ม, ไม่ไม่ใช่ภาษาของนักมายากลนะไม่ใช่นะ่ะ นี่เป็นภาษาของนบีที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมานะไม่ใช่มามายกุลถ้ามายายกุลไม่พูดแบบนี้หรอกก็เริ่มแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับทีนี้อีกคนหนึงพูดบอกว่าอินน่ามาฮาดากาลามุนนบีนี่มาเป็นคําพูดของนบีนะไม่ใช่คําพูดของคนทั่วๆวไปนะและอีกกลุ่มกว่านี้ละพวกมายายกรลพูดอย่างนี้แหละก็ขัดแย้งกันจงกระทั่งประชุมรับ คุยกันคุยซึบซึบซซ่พวกเราคุยกันในวันนี้ละกลายกายกันนั่นแหละนั่งสองคนนคุยไอน้นี่แมมันมันมันมันเป็นนบีจริงหรือเปล่าวเออมันคจะเป็นนบีล้เมืงเนี่ยเหมือนกันมรารยาทเดียวกันเหมือนปัจจุบันนี่แหละพี่น้องาทีนี้ฟาตาณาออัมราุมอัลลอ์เล่าละเอียด น, นะเมื่อได้ยินนบีมูซาพูดสี่เรื่อง ประชาชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นรวมไปถึงพวกมายาคกลด้วยประชุมว่าไงนะพวกนี้เขาขัดแย้งกันเองในระหว่างกิจการของพวกเขาและพวกเขาก็ประชุมเป็นความละคือพูดค่อยๆนะครับข้อที่หกอิบ6ามอานิดหาสิลสาเขาทั้งหลายรวมทั้งฟิรูนี่กล่าวว่า นี่หลังจากประชุมจบแล้วนะคุยซุบซิบซุบซสรุปว่าไงอินฮาดานีลซาไฮรอนแท้จริงทั้งสองคือนบีมูซากับนบีฮารูนั้นเป็นมายากรแน่ๆหลังจากประชุมซุบซิบซุบซซิบไปแล้วแบออกเป็นสองกลุ่มแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยยังย่งไนะยังเป็นพวกฟาโรอยู่ พูดว่าไงนะดูสิก็ไปแค่แค่สองคนนะมูซากาฮารูนเป็นนักมายากรแน่ๆยูรีดานีอยุคริจาุ ม, มินอรบดีกุมทั้งสองคนนี้นะมุ่งหมายหรือมีความประสงค์ที่จะให้พวกท่านในออกจากแผ่นดินของท่านนี่เขาต้องการจะไล่คุณออกจากประเทศอียิปต์นะนี่ครูไว้ก่อนแหละตลงว่า อางไงย่งไงสองมูซาต้องผิดแน่ๆเลยงานเนี้ยหนึ่งมาขูต้องการที่จะมาไล่ประชาชนเนี่ยออกจากประเทศนี้ทําไมอ่ะเพราะเขามองประเทศแต่เป็นเรื่องใหญ่แผ่นดินนะเรื่องใหญ่มากเลยที่ทะเลาะ ก, กันในวันนี้ทุกประเทศแต่เรื่องอะไรเรื่องแผ่นดินเรื่องที่อยู่อาศัยใช่ไหมเหมือนกันฟาโรก็เหมือนกันนี่มูซากับฮารูนมาต้องการจะไล่พวกท่านเนี่ย ออกจากแผ่นดินนี้แล้วเขาจะปกครองแผ่นดินนี้อ่าวายาสฮาบะบิเซฮลีฮีมาที่จะไล่ประชาชนออกโดยชายมายากลอ่าชามายากลมาไล่ข้อที่หนึ่งนะต้องการจะไล่ประชาชนออกจากประเทศนี้นี่เป็นการเมืองทั้งหมดนะอย่าลืมนะนี่การเมืองนะนบีมูซามานะม า, มาเล่นงานนะฟาโรกอะ่ะ ก็มอเป็นการเมืองทั้งหมดแหละแต่คุณอ่านบอกไม่เล่าไม่ไม่ใช่นี่เป็นอิสลามนะครับข้อที่สองวายะฮฮาบะบิปาริกติกูมุลมุสลข้อนี้สำคัญมากเขาทั้งสองหมายถึงโมซากับฮารูเนี่ยย้ายฮาบต้องการที่จะลบลาง ยาสฮาบานี่แปลว่าลบล้างยาสฮาบแปลว่าไปยสฮาบาต้องการที่จะมาลบล้างลบล้างอะไรบิตรีกอตีกูมุลมุสล่ตอรีก็แปลว่านี่ไงพวกตริกัตริกัท ต, ติดภาษานี้แหละอะไรนะทางปฏิบัติเป็นหนทางนะขนบธรรมเนียมอ่าไปบว่าทำตรงเที่ยงดีกว่าคนนธรรมเนียม ที่เราปฏิบัติกันอยู่นี่แหละนี่นะมูซากับฮารูต้องการที่จะมาลบล้างประเพณีปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันอยู่แล้วก็อัลมุสลาแปลอะไรนะที่ดีงามประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่ดีงามยิ่งที่พวกเราปฏิบัติกันอยู่นี่คือข้อกล่าวหาของใครนะ ของกลุ่มฟาโรห์ที่ไส่ร้ายมูซากับฮารูนว่าสองคนนี้มาต้องการมาทําร้ายประเพณีปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันมาจากบูญยาตายายเราเป็นความดีอันยิ่งใหญ่นี่ภาษามันต้องสมัยนู้นนะวันนี้ยังใช้อยู่ไหมคนที่ไม่เอาสุน น, นะนบีวันนี้ก็ใช้ภาษานี้แหละดูสิกลุ่มนี้มันมา มันมามาอะไรนะมาทำลายประเพณีปฏิบัติอันดีงามที่ปู่ย่าตายายรักษากันมาตลอดเห็นยังอันนี้ประเพณีปฏิบัติของคนเหล่านั้น่นในวันนั้นน่ะประเพณีปฏิบัติโดยไม่เรื่องอะไรหนึ่งยึดเอาฟาโรเป็นพระเจ้าแล้วก็ยอมรับให้ฟาโรนั้นเป็นผู้นำ สูงสุดแต่เพียงผู้เดียวข้อที่สองฟาโรเนี่กดขี่ประชาชนชาวอิสราเอลแล้วก็ให้ประชาชนประมาณ 36,000 คนดูแลบ้านฟาโรบ้านเดียวชายคนเท่าไหร่นะ 36,000 นพันคนมันจะดูแลอย่างเดียวนะยังมีความเชื่อว่าฟาโรนั้นเป็นผัดเจ้า ฟาโรเป็นผู้ให้ดิสกีฟาโรให้เขาตายฟาโรให้เขามีชีวิตแล้วฟาโรให้เขาให้สารพัดเชื่อผิดๆแบบนี้แต่อลัลลอย์ยังยังยังรักษาประเพณีของเขาไว้วังไง ร, รู้ไหมบิตารีกอติกูมุลมุสลาขนาดคิดผิดขนาดนี้เนี่ยนะอลัอลลอ์ก็ยังให้อยู่รักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นข้อกล่าวหา ของพวกฟาโรนะครับและก็ประชาชนที่กราบไหว้าฟาโรเนี่ยมองว่ามูซากับฮารูนันมาทำลายประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของเขาเหมือนกับวันนี้แหละใครนำเอาสุนนานาบีมาใชา้เอาคุรานมาอธิบายนะครับเอาพูดถึงสฮาบานนาบีก็บอกนี่ไอโคนนี่มาทำลายประเพณีปฏิบัติของฉัน ของโตย้ยออของแชร์ที่ทำไปมาตั้งนานแล้วดูที่มาทำลายแล้วอ้าวแต่นั่นใครที่เรียนซุนหาในหมู่บ้านนี้ฉันไม่ให้ฟังในกูโบของฉันใครเรียนซุนหาสักคนหนึ่งในในหมู่บ้านอาจจะมีแอนตี้กันนั่โลอักุบัสบางทีตายก็ไม่ไปเยี่ยมก็ไม่มีปัญหาเนี่ยเหมือนกับพวกฟาโรที่แอนตี้นบีมูซากับฮารูนและภาษาที่พูดก็เหมือนกันท่านนี่มาทำลายประเพณี ขนบธรรมเนียมที่ดีที่เราเคยปฏิบัติกันมาตั้งนานนมแล้ววันนี้ก็เหมือนกันทุกสมัยทุกไสกเหมือนกันหมดทูงดาหมดเลยนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันวันที่นบีมุฮัมมัดมาสอนอิสลามนะที่นครมาการเนี่ยวันนั้นประชาชนกราบรูปจเจวดประมาณเท่าไหร่สามอยหกสิบกว่ารูปแล้วก็นบี ม, มาพูดว่าทิ้งให้หมดเหลืออโลองค์เดียวดูสิมุฮัมมัดเอาอะไรมาสอน มาทำลายประเพณีปฏิบัติของชาวบ้านที่ปฏิบัติกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วอย่าลืมว่าตั้งแต่นบีอีสานาบีมุฮัมมัดหางกันกีปีห้าร้อยกว่าปีอ่ะไอรางห้าร้อยปีจะทำของบินอาทำของดอลา ล, ละทำของคุรอฟาเต็มไปหมดอัลลอฮ์ก็เมตตาส่งนบีมุฮัมมัดมาพอนบีมามาสอนก็ ดานาบีมุฮัมมัดเหมือนฟาโรดานาบีมูซากับนบีฮารูดเหมือนกันไปเนาะขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราชอบปฏิบัติกันมานั่นคุณจะมาทําลายกันนะหรืออย่าลืมนะประเพณีปฏิบัตินะทีนี้ใ น, น, นนะอิสลามสอนอย่างนี้ถ้าจะมองประเพณีปฏิบัติให้มองอย่างนี้มองนบีอิบรอฮีมเป็นต้นแบบนั่นเป็นบรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุด มันจะสมัยร0 0ยร0ยสองรปีนี้ไม่ใช่นู่นเลยต้นตระกูลคือนบีอิบราฮิมอลลฮิสลามสังเกตนะผมนั่งอ่านกุณอ่านอยู่ตอนตอนก่อนที่จะมาเนี่ยอ่านพบอายาหนึ่งนะคนที่อยู่ในทางผิดๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มมากเนยนบี ม, มุฮัมมัดพูดว่าไงนะพวกมุสลิมมันจะแบ่งออกเป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบสามยะฮูดี 71คริสเตียน72แล้วก็มุสลิมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น73แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยคุณอ่านว่าอย่างี้กุลหิสบิมบิมาละไดฮิมฟริีฮนที่พวกเขาแยกแบ่งแยกศาสนาของพวกเขาเป็นนิกายเป็นกลุ่มกลุ่มเนี่ยนะ แต่ละนิกาแต่ละกลุ่มนั้นมีความรื่นเริงต่อลัฐที่ของตนที่ตั้งขึ้นมานี่อัลลอฮ์ให้เลยนไงใครที่ตั้งลัฐที่อะไรมาก็ตามไม่กลุ่มมุสลิมนี่แหละตั้งลัฐที่อะไรขึ้นมาเน่นะทุกลธัธิทุกกลุ่มเนี่ยเขาจะมีความสนุกสนานร่าเริงแล้วก็มองว่านี่แหละเป็นของที่ถูกต้องเลยนี่อัลลอฮ์เล่าเองนะ ทำโดยเรื่ายไปนอนกันหลายนี่อะครับอทีนี้เขานี่นะที่ทำอะไรผิดผิดเนี่ยประเภทนี้ปฏิบัติที่นำมามาผิดผิดจะแบ่งออกเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดศิษยสามีอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะที่อัลลอฮ์รับรองรู้อะไรคนที่ยึดนบีแล้วก็ยึดสาหาบบ้านบีเท่านั้นเองยึดอัลลอฮ์ ยึดนบียึดสุฮาบานนบีเป็นแบบในการปฏิบัติกลุ่มนี้ปลอดภัยที่สุดนอกนั้นผิดหมดเลยอ่ะทีนี้ในคุราอนอายะอื่นอธิบายอีกนะว่ามั ย, า من, ยยะชูอันซิกริรอฮ์มานหนูก็ยึดละหูไซต้านั้นฟะฮุวาละหูกรีนใครที่ปิดหูปิดตาตัวเองอคนที่ปิดหูปิดตาตัวเอง ไม่ยอมรับคําสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ฟังอัลลอฮ์ไม่ฟังนบีมุฮัมมัดนี่นะอัลลอฮ์ไม่ว่าอะไรหรอกถ้าไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาซุนนะนบีไม่เอาสัฮ า, าบ้าน บ, บีเป็นแบบในการปฏิบัติศาสนาอัลลอฮ์ไม่ว่าหนูก้อยยิดละหูชส่ตอนนั้นอัลลอฮ์ะจะกําหนดใส่ตอนมาแทนอัลลอฮ์เลยอ้าวเอ า, เ อ, าอันนี้ไปแทนแล้วเป็นไงรูกไหม ฟาวูบาดะฮูกรีนกลายเป็นเพื่อนกลายเป็นเกิรกกลายเป็นคนรักเลยเห็นไหมปิดหูปิดตาตัวเองไม่ฟังคุรานไม่ฟังซุนนะนบีไม่ฟังซอฮบะนะนาบีพูดไม่เอานาบีเป็นแบบเอาตัวย่อเป็นแบบเอาแชร์เป็นแบบเอาประเพณีเป็นแบบเอาวันะธรรมของปูญาตายานมาเป็นแบบแทนคําสอนของอัลลอฮฺและรอซูลและซอฮบะ a ล l a าจะ ก, กำหนดชัยตอนตัวหนึ่งมาอยู่กับคนเหล่านั้นแล้วก็วะอินนาหุมลายซุนดูนาหุมอานิสซาบีแล้วก็จะหันห่างบุคคลเหล่านั้นเนี่ยออกจากทางที่ถูกต้องแล้วมันสนุกมันร่าเริง ม, มันเพลิดเพลินฉันอยู่ว้ทางที่ถูกแล้วก็เป็นไงครับวายซาบูนอันนาหุมมูตาดูแต่พวกเขาคิดว่าเข้าใจว่า พวกเขาเนี่ยอยู่ในหนทางที่ถูกต้องแล้วเห็นไหมไม่เอาอิสลามไม่เอาซุนา่นานะเบไม่เอากุรานอัลลอฮ์กำหนดชายตอนพอกําหนดชายตอนมาอยู่กับเขาเขาคิดว่าเขาเนี่ยอยู่ในทางที่ถูกต้องแล้วและเป็นไงรู้ไหมฮัตตาอีราจาอานาจนกระทั่งเขาไปหาเราหมายถึงไปพบกับอัลลอฮ์หรือว่าฟื้นขึ้นมาในวันเจียมะหรือว่านอนอยู่ในกูโบ พอตายปั๊บเนี่ยอลัลลอฮ์ให้เห็นหมดเลยเนี่ยอ้าวอันนี้ความดีได้อย่างนี้คนชั่วได้อย่างนี้พูดแบบไงนะยาไลแต่ใบนีว่าใบนาคาใช่ตอนคุณกับฉันเนี่ยอยู่ห่างกันขั้วโลกเนี่ยอะไรนะตะวันตกกะตะวันขึ้นก็จะดีคุณทำให้ฉันหลงอ่ะไปรู้ตัวตอนไหนได้ไหมตอนไปพบอลัลลอนะ์นะี่นห ถูกตัดสินให้ลงนรกหรือว่าถูกลงโทษอยู่ในกูโบเพิ่งจะนึกออกว่าคุณเนี่เป็นชัยตอนนี่มาอยู่กับฉันเนี่ยตั้งสาสิบปี4ี่สิปีคุณเป็นชัยตอนมาตลอดฉันหลงทางมาตลอดแต่ความรู้สึกกระยิมว่ามันหนทางที่ถูกต้องนี่คุณอ่านเล่าเลยในปีนองเพราะฉะนั้นถ้าจะยึดาศาสนาที่ถูกต้องที่อลัลลอ์พอใจให้ยึดอัลกุรอาน ยึดสุนนะนบีแล้วก็ยึดบรรดาสาัฮ า, าบะคันนบีเป็นแบบในการปฏิบัติศาสนานะครับเอาต่อมาอายะที่65กาอลูยาโมเซอิมมาอันตุลติอวะอิมมาอันตะคูนออวะละมันอัลกอตอนนี้ปีอู่ในไมดาแล้วอยู่ในสนามใหญ่แล้ว พวกเขากล่าวว่ามูซาเอ่ยอิมมาอันตุลเกียวอิมมาอันตะคูนอาวะละมันอัลกอท่านจะโยนไม้เท้าก่อนหรือว่าเราจะเป็นคนแรกที่จะโยนใครโยนก่อนกันจะเอาท่านหรือเอาฉันพูดกันในสนามเลยมูซาจะเอาอยัางไงคุณโยนก่อนหรือพวกเราจะโยนก่อนโยนไม้เท้าอ้าวใครจะโยนก่อน ในอายะอื่นก็พูดคล้ายๆกันนะครับกอลูยามูซาอิมมาอันตุลกิยาวอิมมาอันตะกูนนะนุลมุลกีน <in> พวกเขากล่าวว่ามูซาเอ๋ยท่านจะโยนก่อนหรือเราเป็นผู้โยนก่อนมูซาตอบว่ายังไงโอ้กอละบาลอัลกู فإذا ح ب ا ل و ه ม ว่าฝีอยู่มยุคายลุอิเลย์มินเซฮ์ริมอันน่าตาที่ที่ท่านนาบีมูซาพูดนี่เป็นวหฮีทั้งหมดนะมันจะคิดเองนะทุกนบีเนี่ยไม่ได้พูดอะไรตามอารมณ์นะครับนี่ยเอาล้อล่านะกอลบัลอ ah ัลคูมูซากล่าวว่าอย่าเลย อัลกูพวกท่านจงโยนก่อนเถอะนี่อุลลม่อธิบายนะอธิบายว่าที่มมซาพูดแบบนี้เป็นการให้เกียรติสามรายการด้วยกันในตัฟซิดอธิบายดีตัฟซภาษาลดูนะอธิบายดีมากนะครับที่มมซาบอกว่าท่านโยนก่อนเนี่ยหนึ่งเป็นการให้เกียรติเป็นมารยาที่งดงามนะเปิดโอกาสให้ศัตรู ทำก่อนจะนั่นเป็นมารยาทที่งดงามพูดในที่ประชุมให้พวกมายากรเริ่มก่อนสแสดงถึงการเป็นผู้ให้เกียรติคนอื่นก่อนนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองการที่โมซาเปิดโอกาสให้พวกมายากรเริ่มก่อนเพื่อความสบายใจเขาจะได้มีความอะไรนะสบายใจอ่ะเอไป เ, เ, เอาไ ป, เ, าไปเชิญเชิญท่านเชิญก่อนใช่ไหมนี่ข้อที่สองอุลมามะอธิบายดี ข้อที่สมเมื่อไม้เท้าหรือชือกปรากฏว่าเลื้อยไปมาด้วยมายากลของของพวกเขาเองหลังจากนั้นมูสาได้แสดงมว่ยีซาต่างกันนะพวกเขานี่ยนะโยนเชือกแล้วก็โยนไม้นี่นะเป็นซาฮิปนะเป็นอะไรนะเป็นมายากลเป็นการแสดง ของนบีมูซานะไม่ใช่แสดงเป็นอะไรนะเป็นมั่วอจิสารต่างกันแต่นั้นน่ะสังเกตง่ายๆอุลามะแนะนําว่าของชั่วมันจะมาก่อนแล้วความดีมันมาทีหลังอย่างลูกเรานี่นะมันต้องทําอะไรผิดก่อนถึงหลักการมาทีหลังอ้าวลูกไม่นามาตนึกถึงแล้วก็ไม่นมาตนี่มันความชั่วมาแล้วแล้วทําไงจะแก้ เออนบีสอนว่าไงนะอ่อให้พูดดีๆให้เตือนดีๆใช่ไหมให้อบรมถ้ามันไม่อบรมไม่เชื่อก็ตีสักทีสอง ท, องทีมันก็เอาซูนา่นานบีมาใช้แต่ความชั่วตอนมาก่อนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับให้ความชั่วสแสดงก่อนด้วยมายากลแสดงก่อนกลางสนามให้คนได้เห็นชัดๆแล้วต่อมาอาลัลลอฮ์ให้นบีมูซาสแสดงมุอะจิษาตนี่แหละ แล้วก็แสแดงมงจติตาตอนกี่โมงตอนสายตอนกี่โมงเก้าโมงสิบโมงเนี่ยเห็นชัดเลยแต่อย่าลืมนะตอนสายๆเนี่ยอาดับมันก็มาตอนสายนั่นแหละตอนดูฮา น, นั่นนั่นบ้านมุสลิมต้องลำลึกถึงอัลลอ์นะครับนักธุรกิจส่วนใหญ่ไม่นึกถึงอัลลอ์นับเงินเพลินคนชาวสวนชาวไร่ก็ออกไปทำงานเพลิน นึกลืมนึกถึงอัลลอฮ์โดยเหตุนี้อัลลอฮ์เลยเตือนมาว่าระวังนะตอนกลางคืนกับตอนสายๆคนส่วนใหญ่จะนอนกันแล้วก็ไม่นึกถึงอัลลอฮ์แต่คนที่มีสุนนะนบีเนี่ยเขาจะนึกเฮ้ยนี่มันเก้าโมงแล้ว้ปทาอะไรดีนะเดี๋ยวสนามิจะมานะนมาดดูฮะซะสักสอเรอาก็อัดรื้อสี่เราก็อัดกลางคืนก็เหมือนกันอย่านอนหลับเหมือนเป็ดไก่วัวควาย แต่ทําไงนะให้ลุกขึ้นมานมาแตะอยู่แล้วตอนจะนอนก็เหมือนกันนะมุสลิมเราเนี่ยนะเอาคนทั่วๆไปเนี่ยทำตัวเหมือนบัฟเฟโลเลยนะนอนมานอนโดยไม่มีน้ําน้มาเนะี่ยพวกแพทแกอ้วควายถึงเวลามันก็นอนเลยนะ่ะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยก่อนจะนอนต้องมีน้ําน้มา ก, ก่อนอย่านอนเหมือนกับบัฟเฟโลนะ พูดแรงบนสบ่าเนี้ยอย่านอนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนแมวเหมือนแพะเหมือนแกะเหมือนไก่ที่เราที่เราเลี้ยงอยู่อย่านอนอย่างงั้นนบีสอนนะมุสลิมทุกคนก่อนนอนต้องมีน้าน้มาเห็นยังเหตุนั้นต้องให้มันแตกต่างกังนนกับอันิเมอรกับสัตว์ที่อยู่บนบกนะเอา้า <c oughs> คุณอ่านว่าไงนะกุณอ่านว่าไงนะ قالوا قال بل ألقو فإذا حبالوهم มุซาบว่าท่านเนี่ยโยนก่อน فإذا حبالوهم เชือกหลายเส้นของพวกเขาไหบ้านมาจะหับลุนแปลว่าเชือกวออซีย ه و ุมและไม้ท้าของพวกเขาหลายอันพอโยนลงไปกลางสนามแล้วอยู่คอยยี่ลูอิละย ปรากฏการ์หรืจินตนาการปรากฏแก่มูซาะอะไรรู้ไหมมินเซฮิมเพราะมายากลของพวกเขาอันนาตัสาเชื่อกกับไม้นะั่นนะมันเลื้อยเลื้อยเหมือนงูมันเลื้อยเหมือนงูประชาชนมองมันเลื้อยเหมือนงูในกุนอ่านเล่านะแต่นายคัมพีเตอรอ์ อ่าในคำพีตาร์อรอพูดบอกว่าไม้กับเชือกที่พวกมายากลเนี่ยพวกมายากลนี่มันโยนลงไปนี่นะเป็นงูเป็นงูเลยนะคัมภีตาร์อรอพูดว่าเป็นงูเลยเลื้อยเป็นงูคือหน้าตาเป็นงูหมดเลยแต่คัมภีรกุลอ่านไม่จะพูดอย่างนั้นน่ะ ค, คัมภีร์กุลอ่านบอกว่าเลื้อยเหมือนงูแต่ตารรอบอกว่าไงนะ เป็นงูแต่กุณอ่านปฏิเสธการการเป็นงูคุณอ่านบอกไงนะมันเลื้อยเหมือนงูอามุสลิมจะเชื่ออะไรเชื่อเป็นงูหรือว่าเลื้อยมป็นเป็นเป็นเหมือนเหมือนงูมันต้องเชื่อตามคุณอ่านใช่ไหมนี่ไงไม่ใช่งูแต่ว่าเวลามันเลื้อยเนี่ยเหมือนงูอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเรื่องอักีด้าเรื่องใหญ่นะฉะนั้นอย่าเชื่อตามคัมพีรไบเบิล คาปริโตรอไม่เชื่อให้เชื่อตามาอุรรานเพราะอุรานพูดด้วว่าพอเอาเชื่อกับเอาไม้เนยโยนลงไปเนี่ยมันเลื้อยเนี่ยเหมือนงูแต่ไม่ใช่งูเหมือนงูนะครับเอาต่อมาครับนักมายากรวันนั้นมีเท่าไหร่โอมอ่านตำสีแล้วมีทั้งหมดนี่มุฮัมมัดบินกาบินอธิบายว่านักมายากรวันนั้นนะประมาณ 80,000 ่นคน โอ้ยแปดหมืนทั่วประเทศอ่ะอีกท่านหนึ่งท่านกอเซมพูดบอกว่าสมัยนอัลฟันเจดมืนคนอีกท่านหนึ่งพูดบอกว่าสามหมืนคนมุฮัมมัดบินอิสฮากพูดบอกว่าหม0 0นห้าคนท่านกะบอกว่ามีอยู่หมื่นสองันคนผมว่าเลือกเอา 80, 000, แปดหมือะไรเยอะที่สุดนะนะจะต้เสียหน้าเยอะหน่อย จนลังว่านักมายากรที่มานั่งกันวันนั้นมาสแสดงกันในวันนั้นมีทั้งหมดแปด0มื่นคนมุฮัมมัดบินกะได้อธิบายเอาไว้อัลลอฮฺต์อับยิ่งใหญ่ขนาดไหนมูซาไปกี่คนสองคนมูซากับฮารุนแต่นี่ท่านอิบนุอับบาสอธิบายไปว่าพวกนักมายากรเนี่ยนักมายากรทั้งหมดเนี่ยนะตอนออกจากบ้านนะ่ะเป็นนักสยายศาสเป็นนักมายากรอย่างดี แต่พอตอนเย็นนะครับอิสลามหมดเลยว่าอัมสูบิชูชูฮาดาพอตอนเย็นเนี่ยยืนยันว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวตอนเช้าเนี่ยเป็นกุฟพอตอนเย็นเป็นผู้ศรัทธาแล้วอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วฮะเป็นซะฮิน ด, ด้วยอัลลอฮ์าอักว่าแคนั้นน่ะนบีมุฮัมมัดเลยพูดไปว่าระวัาวางนะพวกเราเนี่ยนะอย่าเป็น เป็นมุมนตอนเชา้าตอนเย็นเป็นกาเฟตยาเป็นย่าเป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนนี่ดีกว่าเนี่ยพวกมายากลนี่แหละตอนเช้าออกไปเป็นนักมายากลพอตอนเย็นเป็นชูฮดาเป็นชาชีพุทิ์ถูกตายถูกฆ่าหมดเลยนะ่ะตายชรฮิตหมดเลยอุลลอฮฺอัลลอฮฺหุบัตทำอยูเลยเลยเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ Allah เล่าในคัฟิรอัลานเรื่องอย่างนี้นะครับเอ้าต่อมาจากอายะห์ที่เท่าไหร่นะ 67สินะครับฟ้อาอูจซาฟีนัซีฮีฟตัมมูซาฟาอูจซาฟีนับซีฮีฟตัมมูซาแล้วมซอาอูจซาแปว่ารู้สึกขึ้นในดวงในดวงใจนะอยู่ในดวงจิต รู้สึกกลัวโอ้รู้สึกกลัวนะกลัวอะไรนะกลัวเนี่ยชื่อกลัวเนี่ยมันจะกลัวอย่างนี้นะคือนบีเนี่ยเป็นคนธรรมดานี่แหละถ้าเห็นงูเห็นเชือกเห็นไม้เนี่ยมันวิ่งได้เคลื่อนเลื่อยเหมือนงูได้ก็รู้สึกกลัวกลัวไม่กลัวอะไรมันจะกลัวงูจะมากัดมูซานะไม่ใช่กลัวอย่างนี้กลัวว่าประชาชนที่อยู่อยู่ในสนามเนี่ยเชื่อว่า เชื่อเชื่อถูกหลอกด้วยมายากลกลัวว่าจะเชื่อฟาโรห์กลัวว่าจะเชื่อพวกมายากลหลอกเขากลัวนะกลัวๆอย่างนี้แล้วก็ข้อข้อที่สองกลัวว่าการตําลีกศาสนาของของฉันเนี่ยมันจะลาบากขึ้นเดียวนั่นเองกลัวโอ้เออเขาเนี่ยนบีมูซากะฮารูนะ่ะปญาฐานะดาว่าอิสลามนะ่ะไปเผยแผ่ อ, อิสลามต่อนหน้าคนละแปด 0,000 ื่นคนละประชาชนอีกเท่าไหร่ในวันนั้นนะ่ะ แต่ทหาเขาเชื่อมายากลของพวกนี้เนี่ยนะจะทำงานาศาสนาลำบากกลัวตรงนี้ไม่ใช่กลัวว่าจะมางูจะมากัดจะกินนะไม่ใช่นะครับทีนี้ในทับซินอธิบายบอกว่าโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะมีปัญหาเยอะนะไม่ใช่ไม่มีนะมีปัญหาเยอะมากเลยแล้วก็มีการทดสอบเยอะมาก ทุกคนคนคนทุกคนถูกทดสอบจอากอัลลอ์หมดนะทีนี้ปัญหาที่จะแก้ได้บนโลกนี้เนี่ยนะมีสามรายการหนึ่งมีอีมา ن สองมีสบัดส 3. ม, มีตักวาถ้ามีสมอย่างนี้นะปัญหาที่ตามมาทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้จะเป็นงานอะไรก็ตามความยากจนสงครามเข็งฆ่า ถูกไล่บ้านออกจากที่ต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นปัญหาที่ตามมาอย่างที่เราเห็นอยู่ในวันนี้นี่แหละพี่น้องเราที่ปัต จ, จัปั ต, ตีมาอยู่ที่กรุงเทพจำได้ไมนะ่ะถูกอะไรอะไรนะเอาแหวนเอาไวานะ้ใส่รอยหวายมานี่นะนั่นถูกทดสอบจอากอัลลอฮแต่ผลที่ตามมาก็คือถ้ามีอีมานมีตักว่าแล้วก็มีซาบาัดได้ลูกหลานที่เป็นสุนนะัขเต็มหมดเลยวันนี้มีมัสยิดเต็มไปหมด แถมยังมีทีวีอีกสองช่องสามช่องสีช่องเนี่ยให้พี่น้องมุสลิมดูดังนั้นเบื้องหลังของความลำบากนั้นมีของดีแอบแฝงอยู่ขอบคุณอัลลอ์นี่พี่น้องมุสลิมวันนี้อพยพจากซีเรียไปอยู่ที่อื่นข้างบนแล้วนะในซีเรียก็อพยพในปาเลสไตน์ก็อพยพอีก50ปีข้างหน้าอาจจะมีมุสลิมประเทศนูน่นประเทศนูน่นประเทศนูน่น เป็นมุสลิมที่เข่งข้าศาสนาเราไม่รู้เรื่องอนาคตน่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ดีทั้งหมดอัลหัมดยลิลเลยนะแต่ท่านพูดว่างไงนะหนึ่งอยู่บนดุนยาใบนี้ให้มีสามอย่างหนึ่งมีอีมานสองมีสบัดสามมีตะโกาแล้วนบีขอดูอานะมีคออาอย่างนี้อ um ัลลอฮุมมาลาตาจอาลิดดุนยารอมาะรอยติหามนาโอ้อัลลอ์อยากให้ดุนยาเนี่ย อย่าให้ความสุขบนดุนยาเป็นเป้าหมายของชีวิตน บ, บีขอเองและเราเองก็ต้องของด้วยนะมุสลิมทั้งหลายอย่าเอาโลกดุนยาเป็นเป้าหมายแห่งความสุขทั้งหมดแล้วก็อย่าให้อะไรนะความรู้ที่ได้เนี่ยความรู้ที่จบมาจากมหาวเวทไลน์นะ่ะไม่ใช่ความรู้ที่สูงสุดสองอย่างนะความสุขที่ท่านพี่น้องได้รับอย่าคิดว่าสุขบนดุนยาแล้วฉัน เป็นคนที่จะรับความสาเร็จในชีวิตอันแท้จริงไม่ใช่และความรู้ที่ท่านได้มาจากมหาวิเลยนี่นะไม่ใช่ความรู้ที่สูงสุดความรู้ที่สูงสุดก็คืออัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีและแบบอย่างของซอฮบะของท่านนาบีนั่นคือความรู้ที่สูงสุดเข้าใจกุรอานเข้าใจสุนนะนาบีและรูปแบบของบรรดาซอฮบะนบีานาบ คนอนข้อที่สองส่วนความสุขที่แท้จริงต้องความสุขในโลกอาคีรอไม่ใช่สุขบนดุนยาอย่ามองว่าฉันมีบ้านอยู่ฉันมีรถขับฉันมีตำแหน่งฉันมีนู่นมีนี่อย่าคิดว่านี่เป็นความสุขที่สูงสุดใช่ไหมไม่ใช่นี่ใครเตือนเรานะนบีมุฮัมมัดเตือนเราสิไตรพี่น้องที่ ที่เรียนศาสนานี่เป็นองครับต้องขออยากนะขอให้ฉันตายในสภาพที่ฉันมีอีมานี่จะเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราหละนะไม่ใช่บ้านใหญ่เป้าหมายที่ฟาโรห์คิดผิดนยฟาโรห์คิดผิดนะ ค, ดดนะคิดว่าดุนยาคือเป้าหมายของชีวิตคิดผิดหมดเลยแล้วเอาล็อเป็นห่วงอ่ะก็เลยส่งนบีมูซามาเตือนแทนที่จะรับคำตับเตือนแบบนิ่มนิ่มนวล ต่อต้านแล้วไปได้ไหมตายในทะเลแดงแล้วจบไหมไม่จบนะครับต่อมาเป็นอายะที่68กุลนาลาตะคอฟอินนากะอันตัลอาลากุลนาลาตะคอฟอินนากะอันตัลอาลาอัลลอฮฺคำนี้ดีมากเลย เรากล่าวากล่าวกับพระเอัลลอฮ์ Allah ได้วะฮีโดนใจวะฮีให้กับนบีมูซาลาตะขอบมูซาเอ้ยไม่ทำกลัวอัลลอฮ์อย่างเงี้มานี่สบายใจไหมอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตานบีมูซาก้า ง, งูเชือกวิ่งเป็นงูอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ตัวสองตัวนะเป็นล้ลานๆตัวนะ่ะอัลลอฮ์ดนใจให้นบีมูซาลาตะอ อย่ากลัวอิ น, นะกาอันต์ลอาละแท้จริงมูซาจะเหนือกว่าจะต้องชนะอย่างแน่นอน mm. พอภาษานี่มาอลไรเป็นไงโอ้โหทำดีละภาษาอุดรอธิบายดีภาอดูบอกว่าเอาความกลัวออกไปจากหัวใจให้หมด <c oughs> เอาความกลัวออกไปจากหัวใจให้หมดความสงสัย นะครับความสงสัยแบบนี้อย่านำเอาไมไว้ในหัวใจนี่ตับซีภาษาภาษาอุดูอาธิบาอ่าแล้วเขใจง่ายนะครับผมดเลยละไอกลัวว่าคนที่จะเข้าข้างฟาโร่ไม่ต้องกลัวที่นึกว่าศาสนาเนี่ยจะจะเผยแผ่ศาสนาได้ลาบากขนาดไหนเอ๊มีปัญหาเยอะไม่ต้องกลัวแล้วก็อย่าคิดว่าไองูกับเชือก ที่บันเลื่อยเป็นงูนี่นะเหมือนงูเนี่ยไม่ต้องกลัวคุณจะต้องชนะอย่างแน่นอนนี่เป็นวัยจากอัลลอสุภาพนะอุบาะละเราเองก็เหมือนกันถ้าเราเอาคุณอานอายนี่มาใช้ในะชีวิตประจาวันนั่นนะเราไปไหนปหน้านก็ตามไปเจอของฮาามเตไมไปหมดเล ย, เ, ยเราจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยงานเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดนะนึกถึงอาย่านี้ ล้วตะขอบอินนะก็แะ่ท่านอัลลอฮ์คุ้มครองเราแน่ถ้าเรามีอีมานมีตักวามีสอบัตของฮารามมาอยู่ข้างหน้าเราขนาดไหนก็ตามเราไม่พลาดที่จะไปทำของฮารามเพราะเรามีอะไรนะมีอีมานมีตักวามีสอบัตสามอย่างนี้เรามีดุงอาด้วยดุอาว่าไงนะโอ้อัลลอฮ์อยากให้โลกดุญยานี่เป็นเป้าหมายของความสุขแข็งโลกดุญยาต้องนึกตลอดเวลานะครับ อ้าวต่อมาอายะสุดท้ายว่อัลกิมาฟิยามีนิกะตัลกฟมาซนาอูอินนามาซนาอูไกดูซาฮิรวะลาอูฟลิฮุสซาฮิรุ حيثأتاالحمد لله ا ل أعلم นะครับว่อัลกิมาฟิยามีนิกะ โมซาอาลัลลอฮ์บอกนะโมซาเอา๋ยอัลกีแปลว่าจงโยนอามาฟียามีนิกะที่อยู่ในมือขวาของท่านเห็นไหมอลัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าม้ถือนะ่ะขณะนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ในมือคุณนะ่ะโยนไปเถอะนี่กุรานเห็นไหมโมซาเอา๋ยอะไรที่อยู่ในมือของคุณนะ่ะโยนไปเห็นยังครับ อะไรที่อยู่ในมือของคุณน่ะโยนไปรว้ไปถึงพวกเราวันนี้นะอะไรที่อยู่ในมือของคุณที่เป็นแหวนทองนะ่ะโยนไปอย่าไปใติ์ทาไมละแหวนทองอะไรที่อยู่ในคอนะ่ะโยนให้หมดตู้เย็นที่มีเบียร์เหล้านะ่ะโยนไปให้หมดมะเกย์มาทำอะไรในบ้านนําแต่ของอารามบราบารการไม่มี ของขารามที่อยู่ในบ้านของขารามที่อยู่ในตัวท่านน่ะโยนไปให้หมด <c oughs> นี่ก็บอกมูซาว่าอัลกีมาฟิยามีนี่แจงโยนที่อยู่ในมือของคุณออกไปตัลกอบมาซนาตัลกอบแปลว่ากลืนมันจะกลืนที่พวกเขาทำขึ้นซนาอูซนาอูซนาอแปลว่าที่เขาทำขึ้นเองไม่ได้มาจากอัลลอ งูไม้ของคุณหมายถึงไม้ที่นบีมูซาถืออยู่ในมือขวานโยนไปไม้ของคุณน่แหละมันจะกลืนสิ่งที่พวกเขาแสดงอินนามาสนาอไกดูซาฮิลแท้จริงที่พวกเขาทำขึ้นที่พวกเขาแสดงของเท็จที่พวกเขาทำกลอมขึ้นมานั่น มันเป็นแผนการไกดูซาเฮตเป็นแผนเป็นการเป็นการวางแผนของใครนะของนักมายาก่อนทั้งหมดไม่ใช่ของจริงของเทียมวันนี้นับถือศาสนาต่องเอามาจากกิตาบุลลอนและซุนนานะอะไรที่ไม่ได้มาจากอัลลอฮฺและรอซูนของเทียมทั้งหมดและของเทียมเนะ่ยเป็นไงอัลลอฮฺไม่รับ เนี่ยของฮ ARAM าาเต็มไปหมดแล้วของที่มันจะซุนนน้านาบีทีเรานําเอามาช้านี่นะกับของที่มาจากอัลลอฮ์แล้เราซูนเป็นของจริงไม่ชอบเ ก, กินสิ่งเหล่านี้หมดนะกระดูกงูเป็นแบบที่ไม้จะ่พ่ก่องนบีมูซาเนี่ยเกืนของที่มาใช่ของแท้ใช่ไหมหมดสนามเลยวันนี้ก็เหมือนกันใครที่ยึดซุนนะยึดอลัลกุรอานจะกลืนของที่เป็นบินอ้างทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์จะต้องเหนื่อยหน่อยนะ ต้องต่อสู้ต้องพยายามต้องด่าว่าต้องตําลีกเอาของที่ไม่ใช่สุนัขนบีกลืนให้หมดแต่อินชาอัลลอฮฺถ้ากลืนหมดไว้ก็ทํางานงานหมดต้องหมดช้าๆนี่แหละพวกเราก็ากจะทางานมีงานทําต่อไปเอาเราให้กืนนล็ๆน้อยๆแล้วไม่มีงานทำดังนั้นว่างงานนะครับอินนามาซนาอาไกดุซาฮิตแท้จริง การวางแผนของพวกมายากรนั้นการวางแผนทั้งหมดวางแผนจะสู้อลรรเดย์ยังไงแกไหอาตอมาครับละมายากรนั้นไม่บรรลุไม่ชนะอย่างเด็ดขาดละยุฟเละนักมายากรทั้งหมดมายากลทั้งหมดมายากรทั้งหมดที่เขาแสดงขึ้นละยุฟเละ ไม่อะไรนะไม่สําเร็จให้สุอาจะไม่ว่าเขาจะเรียนวิชานี้มาจากเมืองใดประเทศใดจังหวัดใดก็เชิญเถอะทั่วโลกมาเลยนี่อัลลอฮฺท่ า, ทานะนะครับทุกคนมามาเพราะนั้นอะไรที่อลัลลอฮฺไม่ได้สั่งอยาาง่รทำขอที่คิดขึ้นมาเองนั้นอลัลลอฮฺนี่เห็นยังนะครับทัศน์อุลามาเนี่ยเอามาใช้ได้บางเรื่องแต่ไม่ใช่ทุกเรื่อง นนเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยคนที่จะเป็นคนที่จะเป็นอิหมามเนี่ยยกตัวอย่างนะสุนนะนาบีเนี่ยคนจะเป็นอิหมามเป็นผู้นําคนหนึ่งเข้าใจคุรานสองเข้าใจสุนนะสามเ อ, อาอูโศใช่ไหมละ่ะสามสี่ข้อนี่แต่ทัศนะอิหมามบางคนนะพูดอย่างงี้เนี่ยนคนจะเป็นอิหมามเนี่ยนะหนึ่งอ่านคุรานดี สองเมียสวยสามรวยนี่ทักษะของคนน่ะใช่ไหมล่ะแล้วเอามาเทียบกันดูสิอ่นานนบีสอนอย่างงี้คนที่จะเป็นผู้นําคนเป็นอิหมามต้องอะไรนะหนึงน่งอ่านกูรอรานเข้าใจกรูรอรานด้วยนะรู้ความหมายกรูรอรานอธิบายกรูร์านได้และอ่านกรูร์านเสียงดีข้อที่สองเข้าใจซุนนะข้อที่สามนี่นะครับทิ้งความชั่วามาก่อนเป็นคนดีก่อนแล้วก็อาวุโส มีอยู่สี่ข้อแต่ทัศนคของคนเนี่ยเหมือนนี่แหละพี่น้องเอาใส่ลงไปเอาความคิดของคนใส่ไปหนึ่งอันกุรานดีเหมือนนบีสอนข้อที่สองเมียสวยนี่นบีไม่จะสอนอันที่สามรวยและตระกูลดีมันไม่ไ ม, ไม่เกี่ย ว, วใช่ไหมละ่ะแต่ว่าใส่ลงไปเนี่ยหลายคนที่ไม่ได้อ่านคุรานไม่อ่านทาดิสเลยไม่รู้เลยว่าไอ้ของจริงน่ะมาจากไหน ของเทียมมาจากไหนไม่รู้แค่นั้นเนี่ยอยาญานี้เตือนเรานะของเทียมเทียรเนี่ยมายชาถูกกลืนหมดถูกกลืนหมดแต่กลืนช้าๆก็ดีจะได้มีงานทํากันต่อไปถ้ากลืนไวก็ตกงานโปรตุครูนู่ยัวอุรมะคนที่ทำงานาศาสนาเนี่ยเหนื่อยนะเอาพี่น้องเอายังไงดี คืองี้คุณอ่านอัจฉริานี้สอนดีนะว่าอัลกีมาฟียามีนิกะมูซาเ อ, อ๋จงโยนที่อยู่ในมือขวามือขวาของคุณไม่ได้บอกว่าไม่แต่พลเพราะอะไรตองการจะบอกว่าขนาดนั้นในมือมีอะไรก็ตามโยนไปเถอะเป็นมูหมดต่อมาครับตัลกอฟมาสซนเอาสิ่งที่คุณโยนลงไปนั้นจะ ก, กลืน เห็นย่งครับฉะนั้นนี่ไงอิดะจ์อัลฮะบูวาซาฮ์กอลบาตินเมื่อความจริงมาความเท็จก็มาลายไปบ้านเราก็เหมือนกันลูกเราต้องมีาศาสนาลูกเราต้องอ่านคุรานได้ลูกเราต้องเอาสุนัขนบีมาใช้ในชีวิตประจําวันอย่าเอาของเท็จที่มาจากยุโรปอเมริกามาใชา้พัฒนาท่ามสุกโปกเร็วๆมาใชา้ทําไมในบ้านนะครับ อินนามาซอนาโอไกดูซาให้แท้จริงแผนการของนักมายากโกนนั้นเป็นแผนการที่เขาวางไว้ทอนนั้นเองฉะนั้นวัฒนธรรมเลวๆเนี่ยอย่าเอามาใช้เช่นอ่านหนังสือพิมพ์ใ น, ในในส้วมเยอะนะมุสลิมเรานี่แหละและมุสลิมเราบางคนนี่นะผมเดินผมนั่งอยู่ริมกูโบ่บ้านกูโบ่ผมรู้เนี่วันแม่เพิ่งจะมาเยี่ยมกูโบ่ ทำไมอ่ะก็ถูกปลูกฝังนะวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมที่มันผิดๆเนี่ยนะมาเยี่ยมแม่ในวันแม่เยี่ยมแม่ที่กูโบโเนี่ยเอาอะไรอะไรเอากาลน้ามาด้วยเอาน้ำมาแล้วก็มาโรดบนกูโบเรามองดูเอา้ามันอะไรกันน่ะก็ถูกฝังมาผิดๆนะนี่ไงเป็นแผนการแม่ต่างอะไรกับฟาโร่รำจากนั้นของจริงๆ จ, จะมากลืนหมด คุหมดหมดแน่ๆตจะชารือวายะอีเรนานกัลลอฮ้มาบอกจมดกชยลอิลาฮอิลอันตกอัสตุกวอตุบิไลกัสสลามอัลัยคุมบาระห์มตุลลอฮบะ b a r a k a t